จริงวันนี้ตั้งใจว่าจะมากราบแล้วก็มาฟังก่อน <c oughs> คือกันบ้านที่เป็นหนังสือโอวาทธรรมยังไม่ได้มีมาส่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะภารกิจเยอะมากค่ะค่ะทั้งงานลาดงานหลวงเลยไม่ <c oughs> ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีช่วงเวลาที่จะได้ทำะคะ <c oughs> ่ะทีนี้ถ้าการบ้านปฏิบัติเนี่ยคือช่วงนี้มดก็ด้วยความที่ช่วงนี้ยุ่งมากะค่ะก็ฟัง ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะเปิดไฟล์เสียงฟังแล้วก็อยู่ในรถก็ฟังแล้วก็กลับเข้าบ้านตอนกลางคืนก็ฟังแล้วก็ความรู้ความเข้าใจก็มดว่ายังอยู่ในระดับเดิมเหมือนคราวที่แล้วอะค่ะหลวงตาคือก็อยู่กับผู้รู้หลงคือคือจริงๆมีรวมมิตรครบคร บ, ครบทุกอย่างอ่ะค่ะคือ ไอ้สังดานเดิมที่แช่ก็ยังมีอยู่หลงก็ยังมีอยู่มือเพลิพนก็ยังมีอยู่รู้สึกตัวก็รู้สึกได้ได้บ้างแล้วก็มีผู้รู้ที่มีผู้รู้ที่ที่ที่มีตัวรู้แบบที่มีตัวเรากับแบบไม่มีตัวเราก็มีอย่างเงี้ยค่ะมันก็รวมมิตรทุกอย่างแต่ว่าความเข้าใจที่คือมันรู้สึกว่ามันเป็นความ ความเข้าใจในระดับเดิมแต่มีความละเอียดมากขึ้นนะคะอย่างอย่างอย่างตอนนี้ก็จะรู้ตัวว่าตอนนี้มีตัวเราแล้วก็ถ้ามีตัวเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะพลิกเป็นไม่มีตัวเราแล้วก็ไม่มีตัวเรามันก็จะวิบเดียวมีตัวเราเป็นเป็นเป็นยืนพื้นนะคะแล้วก็เอ่อจริงๆช่วงที่ผ่านมามันมันก็มีการบ้านหลายข้อนะคะที่ ที่คิดว่าจะส่งหลวงตาแล้วก็คิดว่าน่าจะจดเพราะว่ากลัวจะลืมแต่ตอนนี้ก็ลืมแล้วจริงๆนะคะก็ไม่แต่จริงๆมันเหมือนไม่รู้จะเริ่มยังไงมันจะไม่ไม่ได้เรียบเรียงเป็นเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแต่จะมดจะค่อยๆพูดตามที่นึกได้ว่าอย่างเหมือนกับว่ามีอยู่วันหนึ่งมดฟังายเสียงของหลวงตาแล้วหลวงตาพูดคามาคํานึ่งแล้วเรารู้สึกว่า เราปิ้งขึ้นเรากระจ่างมากขึ้นนะคะที่หลวงตาพูดว่ามันมีแค่สองสิ่งเท่านั้นคือร่างกายขันห้าเป็นสิ่งที่ถูกรู้กับอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่มารู้ร่างกายก็ให้อยู่กับผู้ที่มารู้ร่างกา ย, ยาวันนั้นน่ะรู้สึกว่าแบบมันมันมันมันมันคือเรื่องเดิมมาแต่ว่ามันมันลึกขึ้น ความเข้าใจมันรู้สึกว่ามันมันถึงใจมากขึ้นนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราเราจะรู้เวลาที่มีตัวเราแล้วก็ไม่มีตัวเรากับอีกอย่างหนึ่งคือไม่รู้เลยคือออกทะเลติดขบวนไปเลยคืออันนั้นก็คือขาดสติแล้วก็หลงไปจริงๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีสติไม่หลงเนี่ยจะรู้ว่าเมื่อไหร่อ่ะมีตัวเราและตอนไหนที่ไม่มีตัวเราค่ะแล้วก็ เวลาที่ฟังมันก็จะคิดคิดไปด้วยฟังไฟล์เสียงฟัง c ีเนี่ยก็จะคิดรู้แล้วมันก็เลยสังเกตขึ้นมาได้อย่างนึงว่าเวลาที่เราฟังแล้วเราต้องการทําความเข้าใจเนี่ยมันจะมีตัวที่คิดนึกตรองค้นหาคําตอบแล้วกับอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนกับว่าถ้าถ้ามดคิดอย่างนั้นน่ะมดจะไปเป็นมันทันทีเลยตอนหลังมันก็เลยแบบไม่คิดแล้วเอาแค่ว่ารู้แค่ว่ามีตัวเราหรือไม่มีตัวเราอยู่แค่ตรงเนี้ยค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือช่วงหลังมดจะมีนิมิตบ่อยใช่ไหมคะทีนี้เวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะมีการปฏิบัติแบบที่เราทําทํามาเนี่ยแหละคือแบบนี้แหละอยู่กับผู้รู้อะไรย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอพอนอนหลับไปมันจะมีนิมิตซึ่งเมื่อก่อนไม่รู้ว่าเวลามีนิมิตเราควรต้องวางใจยังไงทำยังไงพอตอนหลังที่รู้แล้วว่าเออมันก็คือกลับมาอยู่กับผู้รู้ผู้รู้นี่แหละ ปรากฏว่านิมิตมันไม่ปรุงต่อมันก็คือจะไม่เกิดเลยแต่เวลาที่จะเริ่มมีนิมิตเนี่ยมันจะมีสัญญาณบางอย่างที่มันจะบอกอะมันจะมีลักษณะที่มันจะมีพลังหรืออะไรไม่ทราบอะค่ะมันจะว๊าแป๊บเข้ามาก่อนแล้วนั่นแหละมันจะมีนิมิตซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะไม่ได้อยู่กับผู้รู้นิมิตมันก็จะเกิดซึ่งงดไม่แน่ใจว่ามันเกิดไปตามจิตที่เราปรุงด้วยหรือเปล่านะคะแต่พอตอนหลังที่พอ เราพอมันเริ่มจะมีสัญญาณอย่างเงี้ยมดจะกลับมาอยู่กับผู้รู้กลายเป็นว่านิมิตจะไม่เกิดมันไม่ปรุงต่อแล้วมันก็ดับแต่บังเอิญว่ามีอยู่คืนหนึ่งเนี่ยมดเข้าใจว่าตอนนั้นอ่ะตัวเองอยู่กับผู้รู้คือนอนภาวนาแล้วก็เข้าใจว่าคิดว่ายังไม่หลับแต่ก็อาจจะเป็นเหมือนที่หลวงตาเคยบอกค่ะว่ามันก็อาจจะเป็นแบบหลับแต่ไม่หลับซึ่งหลับกับไม่หลับตอนนี้มันมันเข้มข้นน้อยกว่าช่วงที่แล้วนะคะเพราะว่าช่วงที่แล้วนั้นทําการบ้านหลวงตาแบบเข้มข้นมากะ่ะทีนี้คืนนั้น มันกําลังจะคิดว่าไม่หลับอะค่ะแล้วก็มันอ่ารู้สึกว่าตัวคิดว่าไม่หลับแต่ก็รู้ว่าอยู่กับผู้รู้อะค่ะอธิบายไม่ถูกแล้วก็สักพักหนึ่งเรารู้แล้วว่าจะมีนิมิตมาแต่มันเหมือนมันเร็วมากอะค่ะแต่ว่าก็อยู่กับรู้ไปกลายเป็นนิมิตก็เกิดซึ่งภาพที่เห็นนะจะเป็นภาพหน้าคนแล้วก็ตัดตัดเข้ามาเนี่ยสับเข้ามาแบบเร็วมากเหมือนเหมือนเวลาที่เรกรีดหน้าหนังสืออะค่ะ สับเข้ามาฟึบฟึ๊บฟฟึซึ่งในขนาดนั้น่ะมดรู้สึกว่าเรารู้แต่เหมือนเป็นผู้ดูเฉยๆอะค่ะแล้วก็มันมีเกิดความรู้ขึ้นมันเองว่าทั้งหมดน่ะคืออดีตชาติของเราแล้วมันก็จะมีหน้าหน้าหนึ่งที่มันเป็นหน้าคนที่ปากแหว่งเพ ด, ดานโหวแล้วเราก็เหมือนแบบเหมือนมันหยุดให้เราเห็นนะคะจากหน้าอื่นๆที่ปัดสลับเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนหน้าไปแต่หน้าปากแหว่งเพ ด, ดานโหวหยุดหยุดให้เรารู้ แล้วเราก็ระลึกขึ้นมาได้เลยว่านี่คืออดีตชาติของเราทีนี้มันก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็ย้อนไปจนถึงอดีตที่มันเป็นภาพโบราณแล้วมันยิ่งโบราณไปเรื่อยๆแล้วพอมันโบราณปุ๊บมดรู้สึกว่ามดเอะอะละเหมือนไม่ได้เป็นผู้รู้อ่ะไม่ได้อยู่กับผู้รู้อะค่ะมันมันเราเคลื่อนไหวละพอเคลื่อนไหวปุ๊บมันดับเลยอันนี้มดก็เลยรู้สึกว่าคือเวลาที่เราอยู่กับผู้รู้ในขณะที่มันมีนิมิตอยู่กับผู้รู้แบบนี้ถูกต้องไหมคะหรือว่ามดยังหลง หรือว่าเราควรจะทำาะไเพิ่งจริงเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยจะมีมาบ่อยเหระแล้วคือมดกลัวว่ามดไม่อยากติดกันนี้มิดเราจะต้องอยู่อยู่ยังไงใจยังไงที่มันจะไม่ไม่หลงคือถ้าในขณะปัจจุบันมดรู้สึกว่ามดมีมีแนวทางแล้วอะค่ะคือให้ในใจเนี่ ย, ยังปรุง ผู้รู้เนี่ยยังปรุงได้ผู้รู้ยังปรุงแต่งได้ยังกระเพื่อมได้ยังไหวตัวยังสงสัยผู้รู้ยังมีความสงสัยได้สงสัยสงสัทบทวนประมวลผลผู้รู้ของโมตอนเนี่ยมันกายไปเป็นเอาตัวผู้รู้ที่ประมวลผลที่สงสัยที่ทบทวนประมวลผลวิเคราะห์มันการเป็นว่าเอาตัวนี้เป็นเป็นตัวเราผิดตัว ร่างกายของเราร่างกายของเราทั้งตัวร่างกายของเราที่พูดร่างกายของเราที่คิดตึกตึกกองประมวลผลอะไรได้ทั้งหมดเนี่ยทั้งตัวเราเนี่ยไม่ว่าเราจะไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรในที่ลับหรือที่แจ้งเนี่ยไม่อาจหลดพ้นจากผู้รู้ได้เลยผู้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยให้ไปเป็นผู้รู้ตัวเราพี่ก็เป็นผู้รู้ที่ไม่อาจคิดได้ไม่อาจพูดได้ไม่อาจกระเพื่อมได้ไม่อาจไหวตัวได้ ไม่อัปแสดงกิริยาการได้ได้แต่รู้ตัวเราที่ไหวตัวก็เพื่อมคิดนึกติดตองุงแต่งประมวลผลได้วิเคราะห์วิจารวิจัยใกล้ควรทบทวนได้ให้เป็นรู้รู้เนี่ยรู้แล้วก็วางคือสักแต่ว่ารู้สัตว์วารู้อตัวที่ตัวเราที่ประมวลผลวิเคราะห์วิเคราะห์คิดค้นวิเคราะห์แล้วก็ปล่อยว า, วางไปวางไปวางไปวางไปวางไปแต่ผู้รู้นั้นเนี่ย ไม่ประมวลผลไม่ประมวลไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏรูปล่าอะไรเลยไม่ปรากฏตัวตนของความของผู้รู้ด้วยไม่ปรากฏตัวตนผู้รู้ไม่ปรากฏการปรุงแต่งใดๆแต่มันจะปรากฏแต่ในใจเราเนี่ยปรากฏแต่ความที่ปรุงแต่งได้ร็เพื่อใหได้ไหวตัวได้วิเคราะห์ได้วิจารณวิจัยให้ควรประมวลผลทําปฏิกิริยาอะไรต่างๆได้ปล่อยวางได้แต่รับรู้ไม่มีใครมาเสเวยไม่มีใครมายึดมั่นถือมั่นไม่มีใครมาลองรับ วางไปหมดวางไปหมดแต่ตอนเนี้ยมดยังลงไปเอาไอ้ตัวเราเนี่ยเอาไปเป็นตัวกิดคนสงสัยใขคคว่ขวนประมวลผลแล้วก็พอเราสติขาดเราก็จะไปเป็นโรคเลยคือมันมันทิ้งรูปไปเลยค่ะหลวงตาค่ะแต่ที่หลวงตาพูดเนะี่ยมดเจอ <c oughs> ที่เป็นขนาดจิตแต่ที่มันบอกว่ามันวิบเดียวอ่ะค่ะวิบเดียวที่ว่าจะเห็นว่าเป็นผู้รู้ที่เป็นที่ที่ที่ที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ปรากฏรูปร่างไม่ปรากฏ สถานะไม่ปรากฏอะไรนะ่ะวิบเปียวจริงๆมดก็เลยคือเหมือนกับว่ายังไม่สามารถที่จะยังไม่มีเ อ, อผู้รู้ตัว น, นั้นที่จะส่งอยู่ในระยะยาวได้เพราะส่งไม่ได้เพราะว่าผู้พยายามทรงมันก็เป็นตัวปรแต่งท่งไม่ได้เพของผู้พยายามไปส่งผู้รู้ไว้ก็มันจะเป็นตัวปรแต่งคําว่าอย่าทิ้งรู้ก็คือว่าทุกกิริยาการของตัวเราทุกขณะ ปัจจุบันเนี่ยถูกทิ้งไปถูกปล่อยว่างไปรู้รู้ถูกรู้ถูกรู้ถูกรู้ด้วยความปล่อยวางปวางตลอดเวลาเนี่นแหละเรียกว่าไม่จิงรู้แล้วถ้าสมมติว่ามดจะปฏิบัติโดยการที่สมมติว่าเวลามันมีตัวเราเนี่ยมีตัวเราเป็นคู่เป็นผู้คิดผู้รู้ผู้เป็นผู้คิดเนี่ยมดก็รู้ไปแบบเนี้ยมดตอนนี้มดทาแบบนี้อยู่นะคะคือรู้ไปแบบนี้เลยไม่พยายามไปทําอะไรกับมันแล้วอยู่ๆมันให้มันพลิกเองอะเหมือนกับว่าปล่อยมันไป ตามนั้นอ่ะแล้วมันพลิกเองแล้วพอมันพลิกเนี่ยมดจะเห็นความแตกต่างหรือว่าตอนที่มันไม่มีตัวเราเนี่ยมันไม่มีตัวเราจริงๆมันมันไม่ปรากฏเจ้าภาพมันไม่ปรากฏเจ้าของมันไม่มันไม่รู้สึกถึงความเป็นตัวมดแต่ตอนที่ตอนที่ที่มันมีตัวเราเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีเราโตเป็นเป็นนี่แหละที่เป็นคนคิดมันมันรู้สึกได้ขนาดนั้นเลยค่ะเหมือนกับเมื่อก่อนอ่ะจะนึกไม่ออกว่าไอการที่เอาตัวเราไปเป็นผู้คิดผู้เป็นมันเป็นยังไง แต่ตอนนีมน้มันเห็นแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันยังยังอ่อ น, ออนด้อยอยู่มากอ่ะมันก็เลยยังเป็นผู้เป็นอยู่จริงๆแล้วก็ขณะจิตที่พลิกก็จะไม่เป็นผู้เป็นอยู่นิดเดียวค่ะอฝึกฝนนะค่ะฝึกฝนให้ฉลาดเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรอยต่อสําคัญมากเพราะว่าเราฝึกฝนทั้งหมดนะทุกคนนะ่ฝึกฝนมาเพื่อมาถึงจุดนี้คือจุดสุดท้ายของชีวิต จะต้องไม่เป็นผู้รู้ที่ไม่ปรุงแต่งจะต้องไม่ไปเป็นตัวเราที่มันปรุงแต่งได้ที่คิดปรุงแต่งที่วิเคราะวิจารณ์วิจัยประมวลผลสามารถเคลื่อนที่ได้ไอ้ตัวเราที่วิเคราะห์วิจาณวิจัยประมวลผลที่มันเคลื่อนที่ได้ที่มันปรุงแต่งอะไรได้ตัวนี้ต้องทำมันสิ่งสุกปล่อยวางให้มันดับไปดับไปต่อหน้าต่ตาของรู้ค่ะคือมันมันเป็นความเคยชินจริงๆค่ะหลวงตายอย่างตอนที่เพราะมันพลิกเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นผู้รู้ที่ไม่มีตัวเราเนี่ย พอมันพลิกแล้วเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่ามันมีตัวเราชะโงกมาดูเลยว่าอุ๊ยเออมันมีอย่างนี้ได้หรออะไรเงี้ยมันมันมันกลายเป็นเป็นความเคยชินเดิมนี่คือสวมเข้ามาทันทีเลยคะแล้วมันมีบางขนาะที่ตอนเนี้ยคือการบ้านมันค่อนข้างเลือนไปแล้วอแต่ตอนนั้นที่มดรู้สึกว่ามดมดเออเข้าใจจังเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่กลับไปกลับมาอยู่คือมันรู้สึกได้ว่าจิตมันเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งได้แค่ขนาดเดียวอะถ้า ถ้าถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นถ้ามันหลงอยู่มันก็มันก็รู้ไม่ได้ถ้ามันถ้ามันมันเป็นได้อย่างเดียวค่ะที่มดรู้สึกถูกต้องถ้าหลงไปเป็นคนคิดมันก็จะไม่เป็นผู้รู้แล้วก็มันก็พลิกสลับอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเป็นหน้าไหนแค่นั้นเองถูกต้องถูกต้องแต่มันละเอียดขึ้นค่ะคือมันจะหลงละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นความหลงที่มันหลงไปมีอารมณ์กว้างๆเลย ให่โตเลยมันจะค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงมาถึงแค่ลงไปกับร네ู้ภายในใจนั่นเองคือลงไปคิดไปประมวลผลไปใขว่คว้นไปวิเคราะห์ไปวิจารณวิจัยไปติดต o n ไปแสดงอาการสงสัยสงสัยสงสัยสงสัยแล้วก็ค่อยๆไขว่ควนวิเคราะห์สงสัยสงสัยใคว่คว้นวิเคราะห์ประมวลผลมันจะอยู่กันตรงนี้กิ๊กกิ๊กแต่เราลงไปเป็นคนคิดวิเคราะกกิ๊รกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิรกกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กก ดิ้หล่นค้นหาแล้วก็สติพอสติมันสติปัญญามันแก่กล้ามมากขึ้นเราเห็นหลงหลงหลงหลงลงก็จะละไปละไปละไปละไปละไปละไปแล้วก็จะได้สังขารทั้งมวลถูกละหมดละหมดไอ้ตัวที่มานละสังขารทั้งมวลที่เราเห็นว่านี่หลงมาเป็นสังขารเราละไปเรื่อยๆเรือๆเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะตั้งก็จะเป็นรูค่ะคืออย่างคือถ้ามดมดลองคิดว่าถ้าถ้าหลงไป ที่เคยไปคือไปถึงเชียงใหม่ตอนนี้ก็ไปถึงแค่ลำปาง <c oughs> <laughs> แล้วก็มีอย่างหนึ่งค่ะหลวงตาที่ที่สังเกตได้ก็คือว่าเวลาที่มันหลงไปจริงๆเลยค่ะไปไปเป็นไปเป็ น, ไ ป, ปนไปเป็นอาการกับมันเลยจริงๆเนี่ยออกทะเลไปกับมันเลยเนี่ย <c oughs> บางทีก็ก็ยาวไปแบบที่ไม่รู้นะคะแล้วก็อยู่ๆก <c oughs> อ็อยู่ๆมันกลับมาที่ ที่ฐานที่ตั้งอ่ะกลับมาที่ใจเองแล้วเราก็รู้สึกได้เองว่าเออเหมือนเหมือนก็ไปไปมีเป็นผู้ปรองอีกแล้วค่ะว่าอุยมันมีอย่างนี้ด้วยหรอคือเหมือนเราไม่เคยเจอว่าเวลามันไปแล้วมันกลับมาเองยังไงอ่ะกลับมาแบบกลับมาแบบที่เราไม่ได้ไม่ได้ลากมันกลับมาอันนี้มันมันก็มีมาให้เห็นบ้างบ้างบ่อยเหมือนกันแล้วก็มันเลยรู้สึกว่าเราไม่ไปอยู่ข้างนอกเต็มร้อยเปอร์เซ็น มันจะเหมือนมีตัวคารนอยู่ว่ามันรู้ในด้วยรู้นอกด้วยอืมตรงนี้ก็ต้องหรือแต่การฝุกฝนให้เข้มข้นฝึกนเข้มข้นมันจะชัดเจนขึ้นระหว่างลงไปปรุงแต่งลงไปคิดลงไปเป็นสังขารกับเป็นรู้สังขารค่ะรู้ละปล่อยวางเป็นรู้เป็นรู้เป็นรู้คือไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ผู้รู้ไม่ไม่อาจแสดงตัวตนไม่ไม่อาจปรากฏตัวตนได้ แล้วก็ไม่อาจคิดไม่อาจไหวตัวได้ไม่อาจกระเพื่อมได้ถ้าเราเนี่ยพอตัวเราไปเป็นเป็นคนคนคิดหลงทุกทีเนี่ยพอตัวเราไม่ไหวตัวได้คิดได้กระเพื่อมได้ไหวตัวได้้องหมดเป็นหลงมันให้ให้เป็นรู้ที่ไม่อาจเคลนที่ได <incorrect> <bits> ้แต <Dad> ่ <indistinct> <yourselves> <Aladdin> ไม่ใช่ว่าไปตั้งรู้นะค่ะแต่ไม่ถึงว่าปล่อยวางสิ่งที่เกิืนที่ไปให้หมดในใจเราที่มันกระเพื่อมที่ไหวตัวที่คิดที่กระเพื่อมที่ไหวตัว ปล่อยวางตลอดเวลาก็จะว่าเราไปตั้งรู้คาไว้อย่างนั้นไม่ใช่คแต่คือปล่อยวางที่รู้ไปทั้งหมดมันก็จะเป็นรู้เองปล่ อ, อยวางสิ่งที่ถูกรู้ทุกขณะปัจจุบันที่มันไหวตัวได้กระเพื่อมได้วิเคราะห์วิจารวิจัยใช่ควรประมวลผลที่มันไหวไว้ไไวว้้ในลักษณะใดก็ตามไม่ต้องพูดถึงว่ามันคิดแต่ให้มันมีการลักษณะของการไหวไว้ไๆๆแล้วก็ไอ้ที่ไหวๆๆแม้แต่ธรรมนูที่ว่า มันไหวขนาดเป็นปรมาณูที่รวดเร็วและละเอียดที่สุดก็ถูกปล่อยวางหมดปล่อยวางหมดปล่อยวางหมดพ้ามันถูกปล่อยวางตลอดเวลาอย่างเนี้ยมันจะเป็นผู ร, <ฆ>ผรู้อัตโนมัติที่ไม่เคลื่อนไหวผู้รูที่อัตโนมัติที่ไม่เคลื่อนไหวเนี่ยนี่แหละมันคือวิญ ญ, ญาณแท้ๆของพวกเราเนี่แหละที่มันอยู่กับเราตลอดไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะมันไม่เคยแตกดับไม่เคยไม่เคยตายไม่เคยทําลายมันตายแต่ชีวิตในภพชาติใหม่แต่และภพชาติที่ตายไป แต่วิญญาณแท้ๆนั่นแหะที่มันสิ้นความหลงสิ้นอวิชชาที่มันมันมีแต่ความรู้ตัวตนไม่มีตัวตนหองผู้รู้ไม่มีเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่ปรากฏอะไรเลยมีแต่ความรู้ที่ไม่มีตัวตนรู้อะไรก็รู้ตัวเรานี่แน่รู้ตัวเราที่มันไม่เกิดมาใหม่แต่ละชาติไม่ว่าเราจะไปแอ บ, บคิดแอ บ, บพูดแอ บ, บกระทาแอ บ, บแสบบดงกิริยาการอะไรในที่รับที่แจ้งไม่เคยลอดพ้นจากเราแท้ๆเราที่มาเกิด น, นั่นแหละเราอัน น, นั้นแหละเราแต่วม่ใจ่ว่าหมายถึงตัวเราที่มันคิดนึงตอมปรุงแต่งได้ ตัวเราที่คิดนึกตองปงแต่งได้เนี่ยมันเป็นตัวสมมุติมันเป็นตัวสมมุติเป็นตัวแตกตั ก, กเป็นตัวทําลายไปทุกชาติแต่ไอที่มารู้ตัวเราเนี่ยตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรในที่ลับที่แจง้งไม่เคยลอดพ้นจากเราแท้แท้เลยเพราะเราแท้แท้ในในในในตัวเราเนี่ยมันมีอยู่สองตัวคือตัวสมมุติสรุปแล้วในในในร่างกายของเราเนี่ยมันมีอยู่สองประเภท ประเภทหนึ่งคือตัวสมมุติกับเป็นตัววิมุตต์ตัวแท้ๆตัวเราแท้ๆในตัวเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยที่เคลื่อนไหวไปมาทํากิจการงานได้ไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็สามารถคิดสามารถพูดสามารถกระทํำกิยาการได้อันนี้เป็นตัวสมมุติตัวตายแตกดับแต่อตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยไม่ว่าเราจะแอบคิดแอบพูดแอบกระทำอะไรในที่รับที่แย้ไม่เคยรอดพ้นจาก รู้ที่เป็นวิมุตต์รู้ที่เป็นวมุตตมันเป็นตัวสมมติกับวิมุตต์ตัววิมุตต์นี่คือได้จะมารู้ตัวเราไม่ว่าเราจะแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรในที่รับที่แจ้งไม่เคยรอดพ้นจากรู้ที่เป็นวิมุตต์ที่ไม่เคยแตกดับไม่เคยทาลายแต่ไอตัวเราเนี่ยที่เรามีชีวิตในแต่ละชาติมันเป็นตัวสมมุมติทําไมจึงเรียกว่าตัวสมมุติเพราะว่าพวกเราเนี่ยที่มานั่งอยู่เนี่ยในชาติก็สิ้นชื่อเสียงเสียงนามซึ่งลูกล่าง ก็ต้องตายแตกดับไปทุกคนแล้วก็รวมทั้งเวทนาสัญญาสังฐานวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์และการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องดับไปด้วยนี่จึงเรียกว่าเป็นตัวสมมุติเพราะว่ามันเป็นอยู่ชั่วคราวแล้วทุกขณคปัจจุบันมีการคิดขึ้นมาแล้วมันก็ก่อนคิดก็ไม่ได้คิดคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปก่อนคิดก็ไม่ได้คิดคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปก่อมีอารมณ์ก็ไม่มีอารมณ์มีอารมณ์แล้วก็ดับไป ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตลอดเวลาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตลอดเวลาร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เขค้นพบแต่ว่าในร่างกายเราทั้งหมดเซลล์ทุกเซลล์มีการเกิดดับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันจิตใจก็ก็เป็นสิ่งที่เกิดดับก่อนคิดก็ไม่ได้คิดก่อนมีอารมณ์ก็ไม่มีอารมณ์คิดแล้วก็ดับไปหายไปทั้งร่างกายและจิตใจเป็จริงที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับความเกิดดับของร่างกายและจิตใจเนี่ยคือการคิดการพูดการกระทําเนี่ยมันเหมือนกับเราไป ไปยืนไปนั่งไปนอนทำกิริยาการนำตาทั้งการคิดการพูดกระทาต่อหน้ารู้รู้นี่เปรียบเหมือนเป็นกระจกเงาใสเป็นกระจก เ, จาเจจงใจะจะเาใ ส, า ท, สที่สองหน้าเนี่ยเป็นกระจกเงาใสที่สองที่สองหน้าเนี่ยไม่ว่าเราจะแอ บ, บคิดแอบพบูดแอบบกระทาอะไรในที่รับที่แจง้งไม่อาจลอดพ้นจากรู้ที่รู้ตัวเราเนี่ยเหมือนกระจกเงาทําหน้าที่รู้ตัวเราเหมือ น, จจนกระจกเงาซึ่งกระจกเงาเนี่ยไม่สามารถจะเคลื่อนไหวแสดงกิริยาการได้ แต่รู้ตัวเราที่เคลื่อนไหวแสดงกิริยาการต่างๆได้ตลอดเวลาดันตัวเราเนี่ยที่ไม่ว่าจะแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรในที่รับที่แจ้งไม่ว่าเราจะไปทําอะไรซ่อนเล้นขนาดไหนไม่อาจรอดพ้นจากเราเลยเราที่รู้ตัวเราเนี่ยเราแท้แท้น่แน่ที่เป็นวิมุตตานี่คือที่มารู้ตัวเราที่เป็นตัวสมุดเพราะตัวเราที่เป็นตัวสมุติไม่ช้าก็ตายแตกดับแล้วก็ถ้าเรายังไม่เข้าใจเรื่องสมุติวิมุติ เราไปยึดเอาไอ้ตัวสมมติคือตัวเราที่เป็นตัวชั่วคราวเป็นตัวเราแต่เราไม่ไม่ไปเป็นรูน้ที่มารู้ตัวเราที่เราไม่ว่าจะไปอยู่ในที่รับที่แจ้งเราไม่อาจเป็นรอดพ้นจากผู้ที่มารู้ตัวเราก็คือเราแท้แทนี่ยเนี่ยมันจึงสามารถรู้ตัวเราได้ตลอดเวลานี่ถ้าสมมุติเราเป็นพูดเป็นคํายาบไอ้ผู้ที่มารู้ตัวเราถ้ามันพูดได้นะถ้ามันพูดได้ไม่ว่าเราจะไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรในที่รับที่แจ้งถ้าเรา ทำไมใครยังมารู้ตัวเราตลอดเวลาเลยเนี่ยเราไม่ว่าจะไปแอบคิดแอบพูดแอบก็ทําอะไรในที่ลับที่แจ้งจะต้องไม่รอดพ้นจากรู้ได้เลยที่มารู้ตัวเราใครอังมารูตัวเราตลอดเวลาเลยคันถามใครเนี่ยเองเป็นใครอังมารูข้าตลอดเวลาเลยไม่ว่าค้าจะทําอะไรจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะจะไปหลบอยู่ที่ไหนแอปอะไรมันสามารถแอบหลุดพ้นลอดพ้นจากคนอื่นได้แต่ไม่อาจรอดพ้นจาก ผู้ที่มารู้ตัวเราได้เลยยกตัวอย่างเขาบอกว่าเรานั่งอยู่ในนี้ใช่ไหมเรานั่งอยู่ในเนี้แล้วเราแอบคิดอะไรกับใครในที่นี้เราแอบคิดอะไรกับใครในที่นี้คนอื่นไม่รู้ใช่ไหมคนอื่นไม่รู้ว่าเราแอบคิดอะไรกับใครในที่นี้แต่เราหลุดพ้นจากรู้ได้ไหมไม่อาจหลุดพ้นจากรู้ได้เลยที่มารู้ตัวเราได้เลยว่าเราแอบคิดอะไรกับใครในที่นี้เราสามารถจอดเล่นคนอื่นได้แต่จอด ซ่อนเลนตตัวเราที่แท้จริงไม่ได้เราสังเกตไหมเวลาลุงตาถามว่าที่เราแอบคิดอะไรในใจกับใครในที่นี้คนในที่นี้รู้ไหมรู้ไหมว่าเราแอบคิดอะไรกับใครในที่นี้คนในที่นี้รู้ไหมไม่รู้ใครเป็นคนรู้ว่าเราแอบคิดอะไรเราเห็นไหมฟังให้ดีนะเราก็จำให้ดีเราทีเป็นคนรู้ เราแอบคิดอะไรกับใครไม่ว่าคิดดีคิดชั่วไปแอบรักแอบช่างใครใครเป็นคนรู้ว่าว่าเราแอบคิดอะไรกับใครอย่างไรใครเป็นคนในที่นี้ไม่มีใครรู้เลยใครเป็นคนรู้ว่าเราแอบคิดอะไรกับใครเราเป็นคนรู้เราเป็นคนรู้เห็นไหมท่านเอาเราแหละเป็นคนรู้เรา่็เป็นคนรู้แต่เวลาพ่อใช้ชั่นใจชีวิตประจําวันเอาตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวเรา เราท่านลองดูให้ด <imprisoned> anyway, ีนะเวลาคันถามว่าไม่ว่าเราไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรกับใครเนี่ยใครใครเข้าเข้ารู้ระบ้งเราไปแอบซ่อนเล่นอยู่ใครเป็นคนรู้ตัวเราอะรู้ตัวเราดีว่าเราแอบคิดแอบพูดไปแอบกระทาอะไรในที่รับที่แจ้งตัวเราอะรู้ตัวเราดีอ้าวคันถามเขาทำไมบอกว่าตัวเราเป็นคนรู้รู้ตัวเราตัวเราดีรู้ตัวเราตัวเราดีรู้ตัวเรา แต่พอใช้ชีวิตประจําวันเอาตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยที่มันคิดที่มันพูดกระทําอะไรได้เนี่ยเป็นตัวเรามันเลยเป็นความหลงกับด้านเขาจะเรียกว่าอวิชชาเอาท่านชีวิตในชีวิตประจำวันอะท่านทํากันอย่างนี้อยู่แล้วท่านก็รู้อยู่ว่าถ้ากระตอบได้ทุกคนเนี่ยนียไม่ว่าท่านจะไปแอบซ่อนเล่นคิดอะไรกับใครท่านไปแอบซ่อนเล่นทําอะไรกับใครในที่รับที่แจ้งท่านแอบซ่อนเล่นคนอื่นได้หมดอะแต่ท่านหนีใครไม่ได้ หีกตัวเราเองไม่ได้ซ่อนเล่นตัวเองไม่ได้ใครนจะมารู้ตัวเราเองก็ตัวเราเองเป็นคนรู้ตัวเราเองพอถามท่านก็ตัวเราเองคนรู้ตัวเราเองก็ตัวเราเองป็นคนรู้ตัวเราเองไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตัวเราเอเป็นคนรู้ตัวเราเป็นคนรู้ตัวเราเองเห็นไหมท่านเอาตัวที่มารู้ตัวเราเนี่ยเป็นตัวเราแต่เวลาพอท่านใช้ชีวิตประจําวันท่านเอาตัวเราที่ถูกรู้เป็นตัวเราดังนั้นไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยมันเป็นตัวสวมมุิชั่วคราวมันต้องตายแตกดับไอ ร่างกายของเราเนี่ยที่คิดที่พูดที่กระทำกิริยาการได้ทุกขณะปัจจุบันที่ไปแอบซ่อนเล่นทํำอะไรในที่รับที่แจ่มมันต้องตายแตกดับแต่ไอ้ตัวเราที่มารู้ตัวเราที่ท่านบอกว่าไม่อาจรอดพ้นจากตัวเราที่รู้ตัวเราได้เลยไม่อาจรอดพ้นจากตัวเราที่รู้ตัวเราได้เลยไอ้ตัวเรานั้นเนี่ยไม่เคยตายแตกดับสักชาติเดียวมันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีที่อยู่หาที่อยู่มันก็ไม่เจอไม่รู้ที่ไหนแต่มันคงอยู่ในตัวเรานี่แน่ มันเลยรู้ตัวเราตลอดเวลาเลยมันคงมันไปอยู่ที่อื่นหรอมันคงอยู่ในตัวเราแล้วอยู่กับเราตลอดไปนี่แน่มันเลยสามารถไม่ว่ารู้ตัวเราตลอดเวลาเลยไม่ว่าเราจะไปแอบซ่อนที่ไหน่มันก็เลยรู้ตัวเราตลอดเวลากเพราะมันอยู่ในตัวเรานี่แน่มันเลยอยู่ซ้อนกันในตัวเราเนี่ยคือไอ้ตัวสมมุติกับตัววิมุติที่มารู้ตัวเราเนี่ยมันอยู่ในตัวเรานี่แน่เราเลยไม่เคยลอดพ้นจากมันได้เลยและเราเนี่ยก็คือตัวที่มารู้ตัวเรานี่แน่แต่เราไปเอาเป็นตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยทุกชาติไปว่าเป็นตัวเรา ถ้าเราไม่พอใจอย่างเนี้ยเราไปเอาไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวเราเราก็เลยต้องไปเกิดใหม่แล้วก็เปลี่ยนรูปร่างไปอีกนี่ถ้าเราไปเกิดใหม่เราเปลี่ยนรูปร่างไปอ่ะเรไปเกิดไปไหนเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงฉันประเภทต่างๆในโลกนี่เกิดเป็นสัตว์เล้ยงฉันเปเป็เป็นเอวสุรกายสัตว์น ร, ร, ร, ร, รกไปเป็นเท <c oughs> วดารูปร่างเปลี่ยนไปเป็นมนุษย์ก็เกิดรูปร่างเปลี่ยนไปเวลาไม่ว่าเราจะเกิดเป็นรูปร่างอะไรเปลี่ยนไปเราจะต้องมีความคิดอย่างใหม่มีความคิดความจํา มีการพูดมีก า, การกระทาอย่างใหม่หมดเลยใช่ไหมเช่นสมมติว่าเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรฉานนะ่ะไปเกิดเป็นอะไรที่เราไม่ชอบอ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบงูใช่ไหมงูมันน่าเกลียดแล้วมันน่า ก, กลัวเราไปเกิดเป็นงูพอเราไปเกิดเป็นงูปุ๊บเราก็ยึดเอาไอ้ไอตัวรูปล่า ง, งูเนี่ยคือตัวเราแล้วถ้าเราเป็นงูตัวผู้เราก็มองเห็นงูตัวเมียสวยไ ไอ้ก hey, ูตัวเมียสวยเราก็คิดจาก ง, งูแล้วเราก็อยากจะเลื่อนไปผสมพันธุ์กับเขาแล้วเราก็เลื่อนไปผสมพันธุ์กับเขาออกลูกออกนี่เมียกูไอ้ไอ้ตัวทาเป็นงูตัวเมียเห็นงูตัวผู้งูตัวผู้เลยมาไอ้ <Hey. S 1> นี่งูตัวผู้หล่อมากเลยแล้วก็อยากจะไปผสมพันธุ์เขานี่ผัวกูหรือผัวเราเมียเราผัวเราเมียเราออกลูกมาลูกของเราเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งหมดเลยออกมาอยูเยโยเยโยเยนี่ลูกของเราเต็มทั้งหมด เห็นไหมความหลงอ่ะเราลังเกียรตมันจะตายนะแลเวลาเราไปเกิดเป็นมันเข้าเราก็ยึดเอาไอ้ตัวงูนั่นแหะเป็นตัวเราแล้วก็คิดอย่างงูมีความจําใหม่มีความรู้สึกใหม่เป็นสุขเป็นทุกข์อย่างงูแล้วก็เลยมีความสัมพันธ์ใหม่มีความสุขความทุกข์มีความสัมพันธ์กันใหม่แล้วก็จําได้ใหม่ลูกใหม่นี่เป็นนี่เป็นหัวเราเมียเราแล้วก็ออกลูกมาเต็มเลยลูกเราเมียเราเต็มไปหมดเลยเ้าตายอีกเราไม่เข้าใจสักทีว่า เรานี need, ่คือพ like ูด so ี so ่มารู้ตัวเราแต่เราเนี่ยเอาไว้ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวเราเราก็ต้องไปเกิดใหม่อีกไปเกิดใหม่เป็นอะไรตอนี้แล้วแต่เราเลยสมมติไปเกิดเป็นอะไรลูกปลาเปลี่ยนไปมันก็ต้องไปคิดอย่างใหม่อีกว่าไอ้ตัวใหม่เนี่ยคือตัวเราอต้องไปเกิดเป็นอะไรอเกิดเป็นเป็นไก่เอาเปสับปีกไหมไปไก่เป็นนกมันก็ตัวเราพอออกมาปุ๊บนี่ก็ตัวเราเป็นอย่างนี้ตัวเราเป็นสับปีกบินได้มีปีก ถ้าเป็นเป็นสติตัวเมียเก็มองเห็นโอ้โหไก่หรือนกตัวผู้หลอมากเลยแล้วก็อยากจะบินไปผสมพันธุ์กับเขาแล้วก็มีความสุขความทุกข์มีความจําได้ไหมรู้แล้วก็ออกลูกหลานกันมามีผัวเราเมียเราลูกหลานเราพอเป็นในตัวผู้มันก็เห็นว่าตัวเมียเนี่ยสวยมากแล้วมันก็ไปไปมีความสุขความทุกข์ความจําได้ไหมรู้มีความคิดปรุงปรุงคิดมีผัวเราเมียเราลูกเราเต็มไปหมดเลยก็ มันก็เปลี่ยนไปกรูปร่างมันก็ไปเหมาออยตัวใหม่แล้วเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการรับรู้อย่างใหม่มีเวทนาอย่างใหม่มีสัญญาอย่างใหม่มีความคิดปรุงอย่างใหม่เราเป็นตัวเราหมดเลยมันไม่มีชาติใดตั้งชาติหนึ่งที่เราจะมีปัญญามาบอกว่ า, วาใครจะมารู้ตัวเราวะเนี่ยใครยจะมารู้ตัวเราแต่พอเราไปเกิดเปรรน็นสาระฉันเราหมดโอกาสที่จะเรียนรู้ตรงนี้ไงในชาตินี้เราโชคดีเราเกิดมาเป็นคน มีคนสอนเราเราจึงมาไขว่ ค, คว้นทบทวนจริงๆว่าเออมันมีผู้ที่รู้ตัวเราไว้ไม่ว่าเราไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรในที่รับที่แจง้งต่อให้คิดเตียงแคุ่สงสัยสงสัยสงสัยไขว่ ค, คว้นประมวลผลไปยืนคิดอะไรในที่รับที่แจง้งมันไขว่คว้นประมวลผลสงสัยสงสัยสงสัยไม่อาจลอดพ้นจากรู้เลยใครที่รู้ว่าเรากำลังสงสัยอยู่ คนอื่นในที่นี้รู้ไหมว่าเรากำลังสงสัยสงสัยใครควรประมวลผลอะไรในใจแห่มันจะปิ๊งแล้วมันจะปิ๊งมันจะปิ๊งมันจะปิ๊งหรือว่าโอ้ฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยมันงงไปหมดแหละหรือว่าโอ้โหมันฟังชัดเจนมากเลยเ <mm mm mmm> ข้าใจดีมากเลยวันนี้ฟังเข้าใจดีมากบางวัน บ, า ง, บางขณะไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจไอ้ตัวเราที่เข้าใจตัวเราที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นตัวที่ถูกรู้เพราะอะไรมันมีผู้ที่มารู้ว่าเราเนี่ยเข้าใจอ ย, อยู่ตอนเนี้ย ตอนนี้เราฟังแล้วไม่เข้าใจตอนนี้เราฟังแล้วเข้าใจเราแท้จริงเนี่ยคือผู้ที่มารู้ว่าเราเนี่ยเข้าใจหรือเราไม่เข้าใจไอ้ที่เราเข้าใจหรือไม่เข้าใจเป็นตัวสว่มหมุดที่ต้องตายแตกตันแต่ไอาที่มารู้ว่าเราเข้าใจหรือไม่เราไม่เข้าใจไอ้นั่นเนี่ยเป็นอมตะไม่ตุบไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันไม่ที่อยู่แต่มันคงอยู่ในตัวเรานี่แน่มาเลยรู้เรื่องของเราตลอดเวลามันไม่เคยตายเลยตั้ชาติเดียว มันไม่เคยตายเลยแต่ไอตัวเราเนี่ยที่ถูกรู้ที่เป็นตัวสมมูิเนี่ยตายแตกดับทุกชาติรวมทั้งร่างกายรวมทั้งจิตใจที่มีความกิดความนึกความตึกความตองความปรุงแต่งได้มีอารมณ์ต่างๆได้มันตายแตกดับไปทุกชาติแต่ผู้ที่มรรู้ตัวเราเนี่ยไม่เคยตายแตกดับเลยจึงให้ไปเป็นผู้ที่รู้ตัวเราให้ไปเป็นรู้ให้ไปเป็นรู้อย่าเป็นตัวเราที่ถูกรู้อันเป็นตัวเราที่ถูกรู้ไงคือเราก็เอาตัวเราไปคิด โน่นไปเอาไอ้ตัวที่คิดเป็นตัวเราเอาตัวที่พูดเป็นตัวเราเอาตัวที่ไปทำโน่นทํานี่มีสุขมีทุกข์ได้เป็นตัวเราเราไปเอาตัวตายอ่ะเป็นตัวเราตัวเกิดตัวตายตัวแตกนับเป็นตัวเราเราไม่เป็นตัวรู้ที่เป็นมิมุติมารู้ตัวเราที่ไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายตัะชาติเดียวชาตินี้เราเกิดเป็นมนุษย์พบศาสนามีคนสอนก็เป็นโอกาสทองแค่นั้นเองไปเกิดใหม่เป็นชาติอะไรเราก็ไม่มีโอกาสจะมาเข้าใจอย่างนี้ได้แร้ว ให้เป็นรู้ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ไม่ปรากฏ ต, ตัวตนไม่ปรากฏอะไรรู้อะไรกับรู้ตัวเรานี่แนะไม่วันเราจะไปแอบซ่อนเล้นการคิดการพูดการกระทําอะไรในทีท่รับที่แจ้งทุกเวลปัจจุบันไม่เคยรอดพ้นจากรู้เราที่รู้ตัวเราได้เลยข้อคําถามพวกขั้นทั้งหมดว่าท่านแอบคิดอะไรกับใครในที่นี้ท่านแอบคิดอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้นกับคนนั้นคนนี้ในที่นี้มีใครรู้ไหมว่าท่านแอบคิดกับใครไม่มีใครรู้หรอกใครมันควรู้ล่ะว่าเราแอบคิดกับใครอยู่ในตอนเนี้ย เรานไงเราเป็นคนรู้เราเป็นคนรู้เหรอไหมคันถามพวกท่านเราวเป็นคนรู้แต่พอใช้ชีวิตจริงๆตัวเราที่ถูกรู้เป็นตัวเราท่านยึดเอาตัวเราที่ถูกรู้เป็นตัวเราแต่คันถามท่านที่ไลน์ท่านก็บอกว่าใครเป็นคนรู้ว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่ใครเป็นคนรู้ว่าเรากำลังทำอะไรยใครเป็นคนรู้เรากำลังคิดอะไรอยู่ในที่รับที่แจ้งไปซ่อนเล่นขนาดไหนไม่เคยรอดพ้นจากตัวเราเลยเราวเนี่ยตัวเราจะต้องรู้ตัวเราดีคนอื่นไม่รู้เรา เวลาคันถามตัวเราสะรู using, ้ต no. ัวเราตัวเราจะเป็นคนรู้ตัวเราแต่พอใช้ชีิตประจําวันพวกท่านยึดเอาไว้ไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เป็นตัวเราท่านเลยต้องไปเกิดตายเกิดตายเกิดตายเพราะท่านยึดเอาตัวที่มันตายตัวเกิดตัวตายอ่ะเป็นตัวตนเป็นตัวเราท่านผิดตัวท่านยึดผิดตัวท่านจึงต้องไปเกิดใหม่เรื่อยไปเป็นเปลี่ยนตัวไปเรื่อยเพราะว่าท่านยึดเอาไอ้ตัวเกิดตายเป็นตัวเราท่านไม่เอาผู้ที่มารู้ตัวเราเป็นตัวเราแต่ถามพวกท่านบอกว่าใครอรู้ตัวเราก็เราอ่ะี่เป็นคนรู้ตัวเรา ใครจะพารู้ตัวเราก็เราจี่พารู้ตัวเราอ๋อเราจี่ารู้ตัวเรานั่นแหละคือเราแท้ๆแต่เราแท้ๆเป็นเราที่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนมีแต่รู้ตัวเราแต่ตัวตนของรู้ไม่มีไม่อาจแสดงกิาการได้ไอ้เราที่แสดงอาการกิาการได้คิดนิยกตองพุ่งแ่งได้ประมวลผลได้สงสัยสงสัยได้เป็นตัวที่ถูกรู้เป็นตัวสมบุติปล่อยวางตัวสมบุติตัวเกิดตัวตายตัวแตกดับ ตัวทำลายไปให้หมดสิน้นเดี๋ยวไปยึดถือในตัวนี้ให้เป็นผู้ที่รูแตัวเราเกียรตให้ดีนะผิด<ะ>ตัวหรือเปล่า